ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแปลงฟันล้างหน้าแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ชำระใจะด้วยการสวดมนต์ลึกถึงคุณพระตนตรไตรทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็เตือนใจให้ เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นแบบอย่างหรือเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตเพียงเท่านี้นี่ก็เรียกว่าได้ทำให้ใจในี่เป็นบุญแล้วพอใจเป็นบุญแล้วเราก็สามารถจะอุิบุญกุศลของเรา แต่ความปรารถนาดีของเราให้กับสรรพสัตว์อย่างที่เราเพิ่งสวนมาสักครู่นะจะเป็นสัตว์ห้าขันขันเดียวสี่ขันขันเดียวสี่ขันนี่นะเพราะแม่นสัตว์ธรรมดาดนะ้เป็นพระพรหมแล้วเนี่ยพระพรหมบางชนิดก็มีแค่ขันเดียวนะี่และผมลูกฝักนะชื่อจริงเพราะว่านั้นนะ สี่ขันนี้ก็พรมเหมือนกันนะก็คือว่ามีเวทนา ส, ญญาสัญญาสัญญาวิญญาณแต่ไม่มีรูปนะขนาดพรมนี่สูงนะเราก็ยังแผ่ไปให้นะชาวพุทธเราบ่าได้นับถือพรมนะว่าเป็นสิ่งสูงสุดนะแต่ถือว่าเป็นเพื่อร่วมทุกข์ ที่เราควรมีเมตตาเราไม่ได้วิงวอนอ้อนวอนพระพรหมด้วยซ้ำนะเราเพียงแต่ว่านึกถึงด้วยจิตเมตตาแล้วก็แผ่ไปให้เราเป็นผูุ้ชนนะถึงแม้ว่า จะไม่มีคุณวมบัติเหมือพระพรมแต่ว่าเราก็มีความยีที่สามารถจะแผ่ไปให้ได้เทวดาก็เหมือนกันนั้นเราก็ไม่ได้ออนวนอะไรนะเราเพียงแต่ว่าขอให้อย่างมากคือขอให้เทวดาไปบอกนะไปบอกสัตว์ทั้งหลายให้รวมอนุโมทนาด้วยรบกวนเทวดาแค่นี้นะให้เทวดาไปบอกนะไปบอกสัตว์ทั้งหลายนะ ว่าเราได้แผ่ส่วนบุญไปแล้วนุโมทนาด้วยนะชาวพุทเราไม่ได้รบ ก, กวนเทวดามากนะไม่ได้วิงวอร้องขอเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้นะเพียงแค่ว่าขอให้ใช้ขอให้ไปบอกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้ร่วมนุโมทนาด้วยนะอันนี้คือนะคือวิสัยของชาวพุทธนะ เพราะว่าเพียงแค่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะ้วก็ก็มั่นใจแล้วนะก็มั่นใจว่าชีวิตนะจะมีความเจริญงอกงามแล้วก็สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้เวลาสดมนต์นะหรือถึงพระราตรีวก็จะมี ตอนหนงที่พูดถึงเรื่องที่สวดว่าเนี่ยพูดถึงพระสงฆ์นะว่าเป็นผู้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกขยายะปฏิปันโนภวะวตโตสาว ะ, ะสังโฆคำว่ายายะเนี่ยนะแปลว่าเครื่องออกจากทุกทนะีท่านก็ใช้ว่ายายะธรรมอันนี้ก็น่าคิดนะว่าธรรมเนี่ยเป็นเครื่องออกจากทุกหน้าที่ของธรรมะแท้ๆเนี่ยคือ พาเราออกจากทุกข์นะหน้าที่รองนะีก็คือว่าช่วยป้องกันทุกข์นะหน้าที่น้าอีกหน้าที่นึงคือช่วยป้องกันทุกข์แต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าป้องกันทุกข์เนี่ยนะก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะไม่ได้ป้องกันได้ 100% นะ เช่นถ้าเราให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะหรือว่าทําบุญนะ mm hmm. ก็จะทาให้ความทุกข์ต่างๆนี่เรื่องเดือดร้อนใจต่างๆนี่ mm hmm. เกิดขึ้นกับเราน้อยนะอย่างที่เคยพูดไว้แล้วว่าเพียงแค่ถือศีลห้าศีลข้อที่ห้าข้อเดียวนี่โอ้ยความทุกข์ต่างๆนี่ ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราเช่นเจ็บป่วยเพราะโลกตับแข็งหรือเพราะมะเร็งในตับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากนะเพราะว่าไม่ได้กินเหล้าอุปัติเหตุที่ทําให้พิกลพิการเพราะว่ารถชนนะ ด้วยความเมาไม้อันนี้ก็ตัดทิ้งไปได้ป้องกันได้เลยนะว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเราบ่ได้ไปนะตีรันฟันแทงกันเพราะความเมาไมยจกนกระทั่งบาดเจ็บล้มตายหรือว่าถูกจับเข้าคุกนะไอ้ความทุกแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับเราบ่ได้นะอันนี้แหละเป็นเครื่องป้องกันทุกนะัศสิงแค่ข้อห้า ข้อเดียวนี้กป็ป้องกันทุกหลายอย่างนะข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็คือกันนะป้องกันทุกได้มากมายไปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็อาจจะเจอกรรมนะอาจจะพิกลพิ ก, การเจ็บป่วยนะเพราะว่ากรรมมันตามทันหรือว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เพราะว่าไปไปทำบาปทํากรรมมาไว้เยอะนะอันนี้พอเราซือสิงค่อยนิดหนึ่งนี่นะไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ใช่ไม่ฆ่าคนอย่างเดียวแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ฆ่าอันนี้ก็ช่วยป้องกันะความทุกข์หรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดวิบากนะกับเรานะหลายอย่างนะ ยิ่งถ้าน้องนักดูท่าเนี่ยไปฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนเนี่ยโอ้ก็มีความเดือดร้อนใจหรือว่าต้องติดคุกติดตลางหรืออาจจะถูกเขาฆ่ า, าเป็นการแก้แค้นนี่ธรรมะนี่มันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเกิดทุกข์แบบนี้กับเราได้นะเรียกว่าอ่าสีนี่มันเป็นกำแพงนะป้องกันความทุกข์ แต่ว่าป้องกันได้แค่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะความทุกข์ทั้งหลายในโลกเนี่ยนะแต่มันก็ยังมีนะความทุกข์อีกสิบเอร์เซ็ยี่สิบเอร์เซนที่มันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้นะถ้าไปคาดหวังว่าธรรมะนี่จะป้องกันทุกได้ร0อยเปอร์ซ็นตนะี่อาจจะผิดหวังได้เลย ธรรมะมีประโยชน์ป้องกันทุกได้แต่ว่าป้องกันได้แค่แปดสิบเอร์เซนนะอีกสิบเยิเซนมันก็ยังเข้ามาได้นะกำแพงนี้ป้องกันได้แค่นิดแค่แปดสี่ในห้าอีกสิบยี่สเอร์ซก็มันก็ข้ามมาได้ข้ามกำแพงนี้มาถึงตัวเราได้อย่างน้อยๆก็ความแก่ความเจ็บเนะี่ยตอนนี้งานก็ต้องเกิดขึ้นนะ ถึงแม้ว่าแม้แต่พ่อแม่ก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บนะต้องป่วยความพัดผ้าสูญเสียก็ยังเกิดขึ้นไะด้มันพัดผ้าสูญเสียก็แล้วแต่เหตุปัจจัยว่าจะมาในรูปไหนนะไม่ต้องพูดถึงความตายความตายนี่ก็ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะถ้าไปเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมแล้วนี่จะไม่มีทุกข์ ทุกจะไม่เกิดขึ้นกับเราทำมาจะป้องกันทุกได้ไม่ให้เกิดปัญหาในชีวิตนี้อันนี้ก็อาจจะผิดหวังนะหลายคนก็ผิดหวังมาแล้วนะเพราะว่าคิดว่ า, าให้ถารักษาศีลทําบุญทําทานมากมายแล้วนะชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญไม่มีความลําบากไม่มีความพัดพราด ไม่เป็นนี่ไม่เป็นศิลนันนี้พอมันเกิดขึ้นเข้าก็เสียใจผิดหวังนะถึงกับเลิกเข้าวัดก็มีนะนที่เคยเล่าให้ฟังนี่คนที่สุรินนะเมื่อสี่สิบปีก่อนมีไฟไหมนะ้ไฟไหม้ใหญ่นะบ้านคนนับร้อยนับพันก็สิ้นเนื้อประดาตัว ก็มีหลายคนนะมามาตัดพ่อโต้ว่าหลวงปู่ดูลนะวัดบุรพารามว่าพ่อแม่ปู่ญาติตายายและตัวเขาเองเขาก็ทําบุญกันหลายนะใส่บาตถวายสังฆทานทอดพ้าป่าทอดกรถินตั้งแต่รุ่นปู่ยญาตายายรุ่นพ่อรุ่นแย่างรุ่นตัวเองทำไมถึงมาเจอเรื่องแบบนี้ทําไมบุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองไง ต่อไปไม่เข้าวัดแล้วไม่ทำบุญแล้วบางคนเป็นนี่เป็นสิน่นเขาก็เลิกนับถือพุทธศาสนาเลยนะอย่างที่เคยเล่านะเป็นผู้กำู้กากับหนังนะนับถือพุทธคงยังมีผ้าห้อยคลอยเยอะทำหนังเรื่องขัวโตเรื่องหลวงพ่อโตแล้วขาดทุนสาสบสามสิบล้านโอ้เมียก็ทิ้ง ชีวิตมันมีปัญหาตามมามากมายก็รู้สึกเสียใจผิดหวังพุทธศาสนา <c oughs> นว่าอุษาทุ่มเทเพื่อศาสนา <c oughs> เพื่อพัฒธรรมแล้วแทนที่จะมีความสุขความจเจริญกับเป็นนี่เป็นสินกับฉิบหายขายตัวบ้านแตกสลายขาดก็เลิกนับถือพุทธศาสนาอันนี้พ่อคิดว่านี่ธรรมมาจะมาช่วย ป้องกันทุกได้มันก็ป้องกันได้นะแต่ว่าป้องกันบาได้ร้อยไอ้ที่ร้0เป็นะคือเป็นเครื่องออกจากทุกนะนะธรรมะป้องกันทุกได้ไม่ร้อยนตะแต่ว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องออกจากทุกได้ร้อยอนะออกจากทุกนี่คือทุกใจนะหมายความว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้ นะหลายสิบล้านนะเมียจะทิ้งนะแต่ว่าใจนี่ไม่ทุกนะชีวแรกอาจจะทุกนะแต่ว่าพอใช้ธรรมะมามาช่วยนะพิจารณานะก็ทำให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าออมันเป็นเช่นนี้เองนะชีวิตมไม่เที่ยงนะความผ้าผ่าสูญเสียเป็นธรรมดา มันไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยอันนี้แหละถ้ามีพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้มันก็ออกถอนจิตออกจากความทุกข์ได้อย่างที่เราเมื่อวานเนี่ยคนที่เขาประสบุบัติเหตุนะขาขาดเสร็จแล้วเมียก็ทิ้งพระก็ไปถามมาทุกไหมคนก็บอกอขนาดขาผมแท้แท้มันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลย แล้วมีอะริงผมมันก็เรื่องธรรมดานี่แหละธรรมะเลนะนี่แหละธรรมะที่ทำให้ออกจากทุกข์ได้ธรรมะอาจจะป้องกันไม่ให้พิการไม่ไดนะ้เพราะบางทีถึงแมแ้ว่ปฏิบัติธรรมดีไม่เมามันก็ยังเกิดอุปติเหตนะุเราไม่ได้ขับรถชนต้นไม้แต่ว่าคนอื่นมา ขับรถชนเราแต่ว่าถึงแม้เสียขาไปถึงแม้พิการเนี่ยมันก็ลำบากแต่กายนะแต่ว่าใจนี่เป็นปกติใจสบายมีทิ้งก็บัทุกนะเพราะว่าเนี่ยใช้ธรรมะเนี่ยคำ ว, ว่าธรรมะเป็นเครื่องอกจากทุกเนี่คือความหมายนี่แหละนะคือว่ามันทำให้ใจไม่ทุกข์ แม้ว่าจะประสบกับความพัดผ้าสูญเสียซึ่งเป็นธรรมดาโลกอย่างคนที่ไปตัดพอลุงปู่ดุลนะว่าต่อไปไม่เข้าว่าแล้วบุญไม่รักาษาทำไมคุ้คมครองเนี่ยหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าความวิบากความเสื่อมกับอันตราทางความพิพาสมันเป็นธรรมดาเป็นธรมจจธรมประจําโลกธรรมประจําโลกนะธรรมะในที่นี้แปลว่าเป็นจริงปกติธรรมดา มันเป็นธรรมจําโลกนะตอนนี้คนที่มีธรรมะคนที่ใฝ่ธรรมเนี่ยนะเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วทำอย่างไรใจถึงจะไม่ทุกขนะ์เนี่ยอย่างนี้ถ้งหากเป็นนักถึงธรรมะนะถ้าหากว่าใช้ธรรมะเป็นนะั้นมันก็พาจิตออกจากความทุกข์ได้มันป้องกันไม่ได้ร0อยเอร์ซตก็จริงแต่ว่าธรรมะที่สามารถพาจิตออกจากความทุกข์ได้รอเอร์เซนะ ถ้าเข้าใจนะเข้าใจธรรมะจริงๆนะเข้าใจอะไรนะเข้าใจว่าเหตุจากเหตุของทุกข์คืออะไรนะเมื่อเข้าใจเหตุของทุกข์ก็สามารถพาจิตออกจากความทุกข์ได้คําว่าเครื่องทําเครื่องออกจากทุกข์นี่ก็คือว่ารู้ว่าทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุใดอ่านะ ทุกในที่นี้คือทุกใจนะทุกใจเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใดนะก็คือรู้ว่าทุกเกิดขึ้นได้เพราะว่าการแบกการยึดนะขานทั้งหาเป็นของหนักเนินนะการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกแบกถือนี่คือแบกถือที่ใจนี่ถือแม้ตัวนี่จะเบาอย่างพวกคุณหญิงคุณนายเนี่ยมือถือแค่กระเป๋า แต่ว่าใจนี่มันแบกเอาไว้ใจมันแบก <c oughs> เรื่องเงินทอง <c oughs> เรื่องหนี้สินเรื่องลูกเรื่องหัวเรื่องหน้าตาศักดิ์สีนะมือถือกระเป๋าแต่ว่าใจนี่แบกเยอะแยะไปหมดมันก็ทุกข์สิทำเครื่องออกจากทุกข์นี่คือทำที่ทําให้เรารู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดได้เพราะอะไรก็คือเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะการยึดการแบก เมื่อรู้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะแบกเพราะถือก็รู้ว่าทางพ้นทุกนี่ทำยังไงจะพ้นทุกจะทำได้ยังไงก็ปล่อยซะสิเลิกแบกนี่แหละการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขสลัดทิ้งเสร็จแล้วนี่ไม่หยิบช่วยเอาอะไรขึ้นมาอีกนะอันนี้เป็น เป็นข้อสำคัญนะสลัดทิ้งไปแล้วนี่จยไปเอาอะไรขึ้นมาอีกบางคนสลัดเรื่องเงินเรื่องทองนะสลัดเงินสลัดทองทิ้งแล้วมาบวชนะเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นผ้าขาวแต่ก็ไปแบกอย่างอื่นขึ้นมาอีกนะแบกหน้าตานะ กูคือนักปฏิบัติธรรมนะ mm hmm. กูคือนักปฏิบัติธรรม mm hmm. กูคือพระ mm hmm. นะเป็นเจ้าคุณนะ mm hmm. เป็นเจ้าคณนะ mm hmm. จังหวัดนี่อันนี้ก็แบกด้วยนะไปไหนไปวัดไหนไม่มีคนไม่มีพระมากราบมาไหว้ก็ไม่พอใจนะเรียกพระมาต่อว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครนะ mm hmm. หรือว่าถ้าเป็นตำรวจนะนตำรวจนี่มันแบกอยู่แล้วนะ เอาผู้นี่นักปฏิบัติธรรมนี่แหละนะพระก็ดีแม่ชีก็ดีเนี่ยทิ้งเรื่องเงินเรื่องทองไปแล้วแต่ว่าไปแบกอย่างอื่นมาอีกบางทีก็แบกสมบันะิสักนถ้าเป็นพระถ้าเป็นแม่ชีก็จะแบกว่าฉันเป็นคนเเข่งศีลฉันเป็นคนเคข่งศีล <c oughs> มีแม่ชีคนหนึ่งเเข่งศีนมากนะ ก็ภูมิใจในความเป็นคนที่มีศีลพอหนึ่งสักจีวรซักผ้าเห็นหมดตายอยู่ในกระลั่ังโอ้ยจิตใจเศร้าหมองนี่เราฆ่ามดเสร็จแล้วศีลเราพร่องศีลราทะลุแล้วที่จริงถ้าไม่ได้เจตนานมันก็บม่ได้เรียกว่าการฆ่าเลยฆ่าอยางเจตนานแล้วิ่นเคร่งมากแล้วก็เลยจิตใจเศร้าหมอง ตลอดทั้งวันเลยชันฆ่ามดลงเอยหัวใจวายตายตอนนั้นเนี่ยจิตสุดท้ายมันนึกถึงมดเนี่ยที่ตัวเองทําตายแล้วก็คิดว่าเนี่ยตัวเองฆ่าบอกกว่าไปาอบายเลยนะเพราะว่าจิตสุดท้ายสําคัญเรื่องนี้หลวงอาจารย์สิงห์ทองเพิ่งเล่าให้หมอมาลาฟังบอกว่าเนี่ยไอ้มดตัวนี้ฉุดแม่ชีลงรกเลย นี่พราแบกนะแบกว่าฉันเป็นคนเคร่งศีลนะพอมีเรื่องเหตุการณ์นิดหน่อยนี่รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจอย่างนี้ก็เป็นพราะแบกเนแบกนี่มันทําให้เกิดทุกข์หลายอย่างเช่นโกรธทําไมเขาคำนาคํ า, า, าตาฉันทําไมเขาไม่บอกฉันทําไมเขาไม่เคารพฉันทําไมเขาด่าว่าฉันอะไรพวกนี้แล้วว่าทําไมเขาไม่มเห็นความชั่งของฉันนี่เรือแบกหน้าตา แบกอัตตาไว้หรือว่าแบกความดีนะแบกศีลพอเห็นหมดตายก็เสียใจทุกข์นะแต่ถ้ามีธรรมะจริงๆนะออกจากทุกข์ได้ทำให้เห็นว่าอ๋อแนวทุกข์เพราะแบกนะพอแบกรู้รว่าทุกข์เพราะแบกก็ปล่อยท่านเองไนงะ แต่ว่าอย่าไปยึดอันอื่นขึ้นมาอีกนะบางคนก็นอกจากไปแบกหน้าตาไปแบกทิฏฐินัก็เยอะหนะ้าอันนี้พระก็เป็นเยอะนะักปฏิบัติก็เป็นกันหลายแบบทิฏฐิว่าแบกบทิฏฐิไว้ความเห็นความคิดความเชื่อเช่นเชื่อว่าวิธีการของตัวเองเนี่ยวิธีการครูบาอาจารย์เป็นวิธีที่ถูกต้องนะแบบลูกศิษย์หลวงพ่อเชียงก็บอกนี่ลูกวิธีการแบบสร้างจังหวะหลวงพ่อเชียงนี่ดีที่สุด นะสายวัดปาก็บอกเนี่ยไอการภาวนาพุทธโธอนาปานี่ดีที่สุดนะแล้วก็ทะเลาะกันเถียงกันเรื่องวิธีการปฏิบัติเถียงกันว่าสำนักชั้นดีสำนักแก่ไม่ดีนี่อันนี้ก็เรียกว่าแบกนะชาวพุทธเราพระเราก็เป็นกันเยอะนะแบกเอาไว้ อันนี้เราสลัสละเรื่องเงินเรื่องทองแล้วนะแต่ไปแบกอย่างอื่นแทนบุรุชนธรรมดาบุรุชนคนเรานี่มันเป็นอย่างนี้แหละทิ้งเรื่องนั้นแต่มาถือเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่าผู้ที่บวชพระสละโลกแล้วนี่จะปล่อยวางทั้งหมดก็มันก็บอแม่นบาจริงทีเดียวเพราะว่าชิ้งเรื่องนั้นแต่มาแบกเรื่องนี้ก็ได้ แต่ถ้าเข้าใจเข้าถึงธรรมะจริงๆเนี่ยมันนะมันออกจากทุกข์ได้จริงๆได้ก็คือว่าเห็นว่าของวนี้มันเป็นเป็นเรื่องสมมุติหรือว่าเห็นว่ามันดีก็จริงแต่ว่ายึ ด, ย, ดยึดเอาไว้บันได้ยึดยึดเมื่อไหร่ก็กลัดเมื่อ น, นั้นนะอะไรก็ตามเมื่อยึดเอาไว้ยึดเมื่อไหร่ก็มันก็เป็นทุกเมื่อ น, นั้นแน้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยองค์ก็เลย ก็ยังสอนเลยว่าธรรมะพระองค์เหมือนแพแพนี่มีไว้ข้ามฝั่งถึงฝั่งแล้วก็เดินขึ้นฝั่งตัวปลิวมันต้องแบกแพเอาไปด้วยนะธรรมะของตถาคตก็เช่นเดียวกันนะมีไว้นะเพื่อทำให้พ้นทุกข์แต่ว่าไม่ใช่มีไว้แบก นี่ขนาดธรรมะหูเจ้ายัางเป็นอย่างนี้เรียกว่ากุศลธรรมนะก็ยังแบกไวาได้นักปราชญ์เกับอกุศลธรรมหรือความชั่วให้เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าธรรมะนี่เราปฏิบัติธรรมเพื่อป้องกันทุกข์หรือว่าเพื่อเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะ ถ้าปฏิบัติธทมหรือทําความดีเพื่อเพ่อหวังว่าทํานี่จะป้องกันทุกข์ได้นี่ก็เผื่อใจไว้นะว่ามันอาจจะผิดหวังได้โดยเพราะเป็นทุกทางโลกนะทุกทางโลกก็เช่นว่าเก็บป่วยเป็นหนี้ศินตกงานถูกลดขั้นถูกต่อว่าดาทอนนี่เรว่าทุกทางโลกนะแต่ถ้าเป็นทุกทางใจนี่ป้องกันได้ นะธรรมะป้องกันได้ร0อยเอร์ซนถ้าเป็นทุกทางใจหรือเป็นทุกทางธรรมะแล้วก็เป็นเครื่องออกจากทุกได้ร้อยเปอร์ซนตเวลาเราปฏิบัติทมทำความดีให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ก็ให้รู้นะว่านะธรรมะนี่คุณวิเศษจริงๆเนี่ยคือเป็นเครื่องออกจากทุกนะออกจากทุกได้ร้อยเปอร์เซนะ แต่ว่าเรื่องป้องกันทุกนี้ก็ป้องกันได้แค่ 80% นะถ้าเป็นทุกทั้งโลกนะเพราะทำความดียังไงนะก็ต้องมีคนนินทาต่อว่าด่าทอทําความดียังไงก็ต้องมีคนมุ่งร้ายอย่างพุทธเจ้านี่ก็มีคนมุ่งร้ายนะหมายเอาชีวิตทําความดียังไงก็ยังมีคนดินทาทําความดียังไงก็อาจจะเจอนะความสูญเสีย เป็นนี่เป็นศิลปบางทีก็บ้านก็ถูกคนปล้นถูกเผาเนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ใจบรรทุกนะเพราะว่ามีธรรมะเป็นเครื่องออกจากทุกเนะี่ยเครื่องออกจากทุกก็คือว่าทำให้มีปัญญาเห็นว่าทุกเกิดจากอะไรนะมันมันมเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะ ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันออกจากทุกได้เองปฏิบัติธรรมแทบตายแต่ถ้าไม่มีปัญญาเห็นเหตุแห่งทุกนี่มันก็ออกจากทุกมาได้อย่าไปคิดว่าปฏิบัติธรรมรักษาสี่งแข็งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำนี่มันจะมีอํานาจโดนบันดาลให้ออกจากทุกได้ก็ออกได้เหมือนกันนะชั่วคราวความทุกขใจเช่นธรรมแล้วใจสงบนั่งสมาธิใจสงบความทุกข์ใจก็หายไป แต่พอหลับเปิดตาขึ้นมาหรือว่ากลับบ้านมันก็ทุกข์ใหม่อันนี้เพราะว่ายังไม่เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงคือเกิดปัญญาเห็นว่าทุกเกิดจากอะไรนะถ้าพูดตามภาษาปริยคือต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทยาจะปฏิปันโนเนี่ยคือเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจมุบาทคืออะไรก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นเอง ทุกเกิดจากอะไรนีก็เกิดจากผัสสะมีผัสสะมีเวทนาจากเวทนาเป็นตัณหาตัณหาเป็นอุปทานตัณอุปทานให้เกิดภพชาติชรามรณะทุกโธนัตอุปายาสนัแหละทุกเหตุแห่งทุกมันเป็นขั้นตอนแบบนี้แต่ผู้ง่ายๆสุกง่ายคือไปแบกมันไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราผู้ง่ายๆเนี่ยเหตุแห่งทุกไปยึดไปถือ ว่าเป็นราเป็นของเรามันก็เลยแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางทางออกวิธีการออกจากทุกข์คือปล่อยเนหะมือนก้อนหินนะนะก้อนหินแบกเมื่อไหร่ก็ทุกข์มันั้นจะไปขอร้องก้อนหินว่าขอให้เป็นนุ่นขอให้เป็นเป็นกรวดเบาๆได้ปอเป็นกระดาษนะ ก้อนหินก็ยังเป็นก้อนหินนั่นแหละถ้าอยากจอจากทุกข์ก็ต้องวางก้อนหินหรือว่าสลัดทิ้งไปเลยนะเนี่ยอย่างบทส่วนนี้ไม่ใช่วางเฉยๆนะสลัดทิ้งไปเลยนะพอสลัดทิ้งเสร็จปุ๊บนี่ออกจากทุกข์เลยนะเนี่ยก็หมายเพราะว่าทุกข์นี่ไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นไ ม, ไ, มไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดจากคา ตอบว่าดาทอไม่ได้เกิดจากคนนั่นคนนี้ไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดจากการมีหนี้แต่เกิดจากการที่เราไปแบกมันเอาไว้นะมีหนี้แต่ถ้ามาได้แบกก็ใจก็สบายนะเจ็บป่วยแต่ว่าใจมาได้แบกความเจ็บความป่วยไว้ให้กายมันเจ็บป่ว ย, ยงเดียวใจสบายอันนี้ได้ไม่ใช่ว่ามีธรรมะเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะ ปฏิบัติทำมันก็ต้องเจ็บต้องป่วยแต่ว่าเจ็บแล้วใจไม่ทุกเพราะว่าไปได้แบกเอาไว้นะี่อันนี้ต้องเข้าใจนะยังต้องเจ็บต้องป่วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าจิตใจปล่อยวางแล้วบาได้ยึดถือว่าเป็นรเป็นของเราบาได้ยึดถือว่ากายนี้ร่างนี้เป็นของเรา เป็นตัวเราบัด้ยึดถือว่าความเจ็บความป่วยเป็นของเรานะมันยึดได้หลายแบบนะยึดรู้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็ได้ยึดเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราก็ได้นะความเจ็บความป่วยเนี่ยความเจ็บความปวดนะความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดคือเวทนาปยึดย่นเป็นของเราเมื่อไหร่ก็ทุกข์แต่ถ้าวางเมื่อไหร่ใจก็สบาย กายเจ็บกายป่วยแต่ว่าใจสบายนีคนลองจริ้มก็ยึดนะก็ยึดไม่กี่อย่างเนี่ยยึดลูกว่าเป็นเราเป็นของเรายึดเวทนาเป็นเราเป็นของเรายึดอารมณ์หรือจิตหรือการปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นของเร า, า, รรรารนีาเช่นเวลาโกรธนี่ก็ถ้าเห็นความโกรธมันปล่อยเลยนะแต่พอเวด้เห็นความโกรธมันก็เลยไปยึดว่า ฉันโกรธความโกรธเป็นฉันเป็นของฉันก็คือรู้สึกว่าฉันโกรธฉันโกรธกูโกรกูโกรอเ น, นี่ยทุกเลยเนี่ยความโกรธมันเผาใจเลยแต่ถ้าเห็นความโกรธนะความโกรธมันทําอะไรจิตใจไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ถ้าไปยึดนั้นเมื่อไหร่ว่าเป็นเราเป็นของเราทุกทันทีแล้วมันน่า ย, ยึดไหมต้องสลดทิ้งนะแต่ใอยก็้องใส่ให้เป็นนะ่ะ ถ้าสามารถเป็นนี่มันก็ยังอยู่นะเช่นไปกดไปขม่มันาไว้นี่มันก็ยังอยู่มันเรียกว่าไได้หายไปไหนต้องเห็นมันเห็นว่าพอเห็นมันนี่มันก็ปล่อยเลยนะเรียกว่ารู้ตัวมีสติรู้ตัวมีความรู้สึกตัวให้เข้าใจเล้วว่าทำเครื่องออกจากทุกเนี่ยนะทำมานี่ออกเป็นเครื่องออกจากทุกได้จริงจริงนะ ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นเครื่องออกจากทุกข์นะอย่าไปหวังว่าธรรมนี่มันจะป้องกันทุกข์ได้ร้ออร์เซต์ถ้าไม่หวังว่าธรรมมันจะเป็นเครื่องป้องกันทุกข์ได้ร้อเซเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมาเกิดผลาญอะไร ข, ขึ้นมาก็จะไม่ตีอกชกหัวไม่ผิดหวังกลับตรงข้ามนะเอาธรรมะนี่มาใช้เพื่อออกจากทุกข์นะ เอาแล้วจากทุกข์เอาจิตออกจากทุกข์เนี่ยกายยังออกจากทุกข์ไม่ได้นถ้าไม่มีหมอรักษาหรือว่ามันเป็นโรคบางอย่างที่รักษาไ่ได้นี่ยังไงก็เอากายออกจากทุกข์ไม่ได้เช่นเป็นมะเร็งนี่นะเป็นมะเร็งเลยสุดท้ายนี่เอาบางทีก็เอากายออกจากทุกข์ได้ยากนะแต่ว่าจิตออกจากทุกข์ได้ถ้าเข้าใจธรรมะถ้าปฏิบัติธรรมก็ออกพรรษาแล้วก็นะ เอาทำกลับไปได้เอาทํากลับไปนะแล้วก็ให้รูปประคันทั้งหลายนามขันก็ทิ้งไว้นะทิ้งไว้ชื่อบัตนี่แหละนะหมายถึงความยึดถือได้นะหมอได้ทิ้งร่างกายไว้แต่ไมายทิ้งความยึดถือสลัดทิ้งความยึดมัน่นถือมั่นในขันทั้งหลายถ้าอย่างทิ้งหมได้ก็เอาธรรมะเอาไปเอาไปเอาไปปฏิบัติ น่ะการทำบานนี่แหละจะช่วยนะให้เราออกจากทุกข์ได้ให้จิตใจออกจากทุกข์ได้จิตใจก็จะผ่องใสนะผ่องใสเหมือนพระจันทร์เนี่ยเมื่อคืนนี้พระจันทร์สวยเลยผ่องใสนะอันนี้เป็นสภาพจิตของคนที่ออกจากทุกข์แล้วน่ะพอทำบารใจก็จะใสสว่าง แต่พระจันทร์เนี่ยนะมันก็สว่างเป็นพักๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็มืดเดี๋ยวเมฆก็คลุมทําให้หมองแต่จิตของผู้ที่ถึงทำแล้วนี้ก็จะสว่างสวัยนะจะเปรียบได้กับเหมือนดวงอาทิตย์เลยทีเดียวนะว่าแม่นดวงจันทร์เป็นดวงอาทิตย์เลยสว่างสวัยนะก็ขอให้พ่อแม่ออกนี่จิตสว่างสวัยนะเหมือนอพระจันทร์วันเพ็ญหรือเหมือนดวงอาทิตย์นะที่อ่า สองสว่างนะก็ท้ายสุดนี้ก็ขออ้างขุนพระเสด็นัดใจนะให้เป็นกําลังให้กับพ่อแม่ออกได้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติทำด้วยความมุ่งมั่น ก, กล้ามีศรัทธานะในการปฏิบัติไม่ว่าจะประสบอุปสรรคอย่างไรนะก็อาศัยธรรมะนี่แหละนะเป็นเครื่องพาจิตพาจจออกจากความทุกข์ให้เขาถึงความ สงบเย็นเป็นสุขนะเข้าถึงบทอักเกษมคือพระนิพพานเป็นที่หมายของเราด้วยการทุกคนเทิน